เดี๋ยวก็ไหลไปไหลไปก็ไหลไปทีหดก็เป็นผู้คิดพอรู้ว่าจิตไหลไปนะก็เป็นผู้รู้อาศัยรู้นก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมารู้ทันว่าจิตไหลนี่พวกเราต้องฝึกนะทุกวันทำในรูปแบบแบ่งเวลาฝึกซ้อมทำในรูปแบบเหมือนนักมวยเป็นแชมป์โลกก็ต้องซ้อมชกชกกระสอบชกคู้ซ้อมอะไรต้องชกตลอดชกกระสอบทรายก็เหมือนเราฝึกอยู่คนเดียว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 อยู่ในชีวิตจริงเราก็ทำเก่งแต่ในรูปแบบในชีวิตจริงกระเจิดกระเ จ, กะเ จ, กะเจิก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องจริงนต้องฝึกต้องซ้อมทุกวันทุกวันหลวงพ่อก็ภาคเพียรมาอย่างนี้แหละรูบาอจารย์สอนตอนเด็กๆ เ, เ, เรียนสมาธิสอนทำสมาธิก็ทำเรื่อยมาเดินปัญญาไม่เป็นได้แต่ความสงบได้แต่สงบนะ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 ก็มีเครื่องอยู่ของจิตนะหาเอาแต่ละคนคนไหนถ น, นัดพุทโธเราก็พุโทโธแต่พุโทโธแล้วรู้ทันจิตจิตไหล <skill. S 1> ไปเรารู้ทันคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตจิตไหล <c oughs> ไปแล้วก็รู้ทันคนไหนดูท้องฟองยุบชอบดูท้องฟองยุบแล้วก็รู้ไป <iment. S 2> จิตไหลไปคิดรู้ทันเนี่ยฝึกไปอะไรก็ได้เหมือนกันหมดอะ